แนะนำบทอัลอัมฟาลบทอัลอัมฟาลเป็นบทมาดา尼亚มีเจ็ดสิบห้าองค์การที่เน้นในเรื่องการตราบทบัญญัติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสงครามและการต่อสู้ในทางของลอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องสงครามข้อแนะนำผู้ที่ออกไปต่อสู้ในทางขอร์ลปกป้องดินแดนให้พ้นจากการจู่โจมของศัตรู ช่วงเวลาแห่งสันติภาพและสงครามรวมทั้งที่ชี้ขาดเกี่ยวกับเฉลยศึกและทรัพย์สินที่ได้จากสงครามบทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากเสร็จสิ้นสงครามบาดดซึ่งเป็นสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิสลามและเป็นชัยชนะครั้งแรกอีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าสงครามบาดัดนั้นเกิดขึ้นในเดือนมอมตะปีฮิจรัสาราที่สอง และเป็นสมรภูมิระหว่างสัจธรรมกับอาธรรมและชัยชนะก็เป็นของฝ่ายสัจธรรมหรือฝ่ายธรรมะนั่นเองและจากสงครามครั้งนี้ก็ทําให้ทราบว่าผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในทางขอร้องพระองค์ต้องช่วยเหลือและได้รับชัยชนะในที่สุดและเราก็ได้ทราบว่าฝ่ายอาธรรมนั้นแม้มันจะโหดร้ายแข็งแกร่งมีอํานาจล้นฟ้าแต่คงจะมีสักวันหนึ่งที่มันจะต้องตกต่ํา และสลายไปใไนที่สุดเหตุผลก็คือมันอาจทมนั่นเองในบทนี้ได้มีข้อความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายทั้หกครั้งด้วยกันคือครั้งที่หนึ่งเตือนบรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่าหนีการสู้รบครั้งที่สองให้เชื่อและปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอสูลครั้งที่สาม ให้ตอบรับคําเชิญชวนและคําเรียกร้องของท่รอดูนครั้งที่สเตือนไม่ให้เผยความลับให้ฝ่ายศัตรูได้ทราบครั้งที่หแจ้งให้ทราบว่าผลของการยำเกรงอัลลอฮ์นั้นจะทําให้สามารถแยกความจริงออกจากความเท็จครั้งที่6ให้ยืนหยัดในการต่อสู้ราลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆแล้วจะได้รับความสําเร็จและชัยชนะ บทนี้จบลงด้วยการแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันแม้จะมีคำนบธรรมเนียมภาษาสัญชาติต่างกันก็ถือเป็นประชาชาติเดียวกันคือมุสลิมดังนั้นจึงต้องให้ความช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันมีสุขสุขด้วยกันมีทุกข์ทุกขด้วยกันไม่มีการแบ่งชั้นวรณนะสัญชาติและภาษามุสลิมทุกคน เป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ออีินุุมมมพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฉลยจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าบรรดาทรัพย์สินเฉลยนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และของรอสูลดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอรัลลอฮ์เถิดและจงปรับปรุงความสำพันระหว่างพวกเจ้า และจงเชื่อฟังอัลลอ์และรอซูลของพระองค์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอินนา م م, م ن الذين إذا د ك ر و, ل و ا ل ه آ ه ه إ ا و ل ه وجهات و ب ه م إ ذ ا ه آ ز ا د ت م ع ل ى ر ب แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือผู้ที่เมื่อคำเตือนของอัลลอ์ถูกกล่าวขึ้น หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็ได้เพิ่มพูนความศรัทธาให้แก่พวกเขาและแด่พระผู้อวยบาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะมอบหมายคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นปันจจัยอย่างชีพ แก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาค um ชนเหล่านี้คือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นณนะพระผู้อวยพของพวกเขาและจะได้รับ การอภัยโทษและปัจจัยอยังจีบอันมากมายเช่นเดียวกับการที่พระผู้อิบานของเจ้าได้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริงและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้สถานนั้นรังเกียจ พวกเขาโต้เถียงกับเจ้าในความจริงหลังจากที่มันได้ปรากฏขึ้นประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตาย โดและจงจำเล็กถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเจ้า ซึ่งหนึ่งในสองกลุ่มว่าว่ามันเป็นพวกเจ้าและพวกเจ้าชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกําลังอาวุธนั้นเป็นพวกเจ้าแต่ลอส่งต้องการให้ความจริงปรากฏขึ้นด้วยดํารัดของพระองค์และจะทรงตัดขาดถึงคนสุดท้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเพื่อพระองค์จะให้สิ่งที่เป็นจริงได้ปรากฏเป็นความจริง และให้สิ่งเท็จปรากฏเป็นสิ่งเท็จและแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตาม م م จงรำลึกถึงขนาดที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือในยามคับขันต่อพระผู้อิบาลของพวกเจ้าและพระองค์ก็ได้ตอบสนองแก่พวกเจ้าว่าแท้จริง และข้อนั้นไม่ได้ทรงให้มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นและเพื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าจะสงบขึ้น และไม่มีการช่วยเหลือนอกจากที่มาจากที่อัลเลาะเท่านั้นแท้จริงอัลเลาะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาอีซียุกัชชีกุมมุนาสะอะมะนมินฮวยุนิลุลัุมวะยุนิลุยกุมมินสซมาอ์ จ, จงรำลึกถึงขนาดที่พระองค์ทรงให้มีการงีบหลับครอบงำพวกเจ้าด้วยความปลอดภัยจากพระองค์และทรงให้น้าลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้าเพื่อทรงชำระพวกเจ้าด้วยน้านั้นและทรงให้หมดไปจากพวกเจ้า ซึ่งความโสมมของชวยตอนและเพื่อที่จะทรงผูกหัวใจของพวกเจ้าและทรงให้เท้ามั่นคงด้วยนา น, น <S <S จงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเจ้าประธานองค์การแก่มาไลกาว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นคงเถิดข้าจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกๆส่วนของปลายนิ้วมือพวกเขานั่นก็เพราะพวกเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์แล้ว <eterm oon> <Gentle ksi> แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ ด, ด, ด, ดังกล่าวนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันเถิดและแท้จริงสำหรับผู้ปฏิเสธศรัตนั้น คือการลงโทษแห่งไฟนรกโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนเข้ามา พวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขาและไม่มีใครหันหลังหนีพวกเขาในวันนั้น ยกเว้นผู้เตรียมการเพื่อการทำสู้รบหรือผู้ที่ไปร่วมมือกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแน่นอนของย่อมนำความเกรียวโกรธดจากอัลลอฮ์กลับไปและที่อยู่ของเขานั้นคือนรกยานนำซึ่งเป็นที่กลับไปที่เลวร้ายยิง่ง